ขบวนธรรมยาราปีนี้นะเป็นะบวนที่สิเจผ่านมาแล้วสิหกครั้งแต่ถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สิบแต่ก็เป็นครั้งใหม่อยู่เสมอสำหรับหลายคนอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะเราก็จะเริ่มเดินเป็นก้าวแรกนะเป็นก้าวแรกของธรรมยารา หลายคนก็ได้เคยนะก้าวบนเส้นทางนี้มาหลายครั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นก้าวแรกหรือว่าเป็นก้าวที่หนึ่งล้านสำหรับบางคนเราก็กำลังจะร่วมเดินบนเส้นทางเดียวกันจากนี้ไปเราก็จะร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน หนาวด้วยกันร้อนด้วยกันหิวกระหายด้วยกันแล้วก็สุดด้วยกันแต่ว่าจะเป็นการดียิ่งขึ้นนะถ้าว่าเราไม่เพียงแต่เดินทางไปบนเส้นทางเดียวกันทท่านั้นแต่ว่ามีจุดหมายเดียวกันด้วย จุดหมายที่ว่านี้นะไม่ได้หมายถึงอู่บ้านเช่นบ้านกุดงงในเย็นนี้หรือว่าปากตกในเช้าวันสุดท้ายนะอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้า <c oughs> จุดหมายที่ว่านะก็คือจุดหมายของธรรมยถาตราซึ่ง ถ้าว่าเรามีความเข้าใจตรงกันนะแล้วก็น้อมเข้ามาเป็นจุดหมายของการเดินทางครั้งนี้ของเรามันจะทาให้เรามีความกลมเกลียวกันมากขึ้นแล้วขณะเดียวกันการเดินครั้งนี้ของเรามันก็จะมีความหมายยิ่งขึ้นกว่าเดิม แต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นก้าวแห่งความทุกข์ยากลำบากแต่เป็นก้าวแห่งก้าวก้าแห่งความรู้สึกปิติภาคภูมิใจธรรมญาตาครั้งนี้เนี่ย เราต้องเดินนะถึงประมาณสองหรือ3แสนก่าว่าถึงปากตกระยะทางนะร้อยกว่ากิโลเมตรแต่ว่าสองแสนหรือ3แสนนี้นะมันจะไม่ใช่เป็นอุปสรรคต่อไปถ้าเกิดว่าเราเข้าใจชัดว่าเราเดินเพื่ออะไร บางคนอาจจะเดินเพราะถูกชักชวนมาหรือบางทีก็เดินมาเพราะว่าอาจารย์สั่งให้มานะอันนั้นคือความเป็นมานะแต่ความเป็นไปนะตลอดเส้นทางเจ็ดแปดวันข้างหน้านะมันจะมีความหมายถ้าเกิดว่าเรา รือว่าเราเดินไปทำไมเดินเพื่ออะไรธรรมตราเนี่ยนะความหมายหนึ่งก็คือนะเดินเพื่อธรรมะและธรรมชาติญาตกลายแปลว่าเดินนะหรือว่าจาริกเราเดินเพื่อธรรมะแล้วก็เพื่อธรรมชาติ ถ้าไม่ได้เดินพือธรรมหรือเพื่ธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมญาติตราไม่ได้อาจจะการเป็นการเดินเที่ยวหรือว่าเดินขบวนเ็าเดินเพื่อเชิญชวนให้ผู้คนได้เกิดความตื่นตัวตระหนักถึง ที่กำลังเกิดขึ้นกับธรรมชาติชักชวนผู้คนสองข้างทางให้ตระหนักว่าตอนนีน้แม่น้ำกำลังล้มป่วยแผ่นดินกำลังร้องไหนะ้ป่าไม้กำลังจะตายและสุดท้ายนะมันก็จะนำนะความ วิบัติมาสู่ผู้คนอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วทั้งโลกแล้วก็เห็นเด่นชัดมากบนภูเขาหรือเทือกเขาที่เราเรียกว่าภูแหลนคาหรือผู้โค้งพี่ที่เรา จะได้เห็นนะตลอดเส้นทางจนถึงปากตกเนี่ยมันก็คือภาพสะท้อนของปัญหาทางด้านนิเวศวิทยา <c oughs> ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกเป็นปัญหาที่เข้าขั้นวิกฤต แม้ว่าคูรันคานะจะอยู่ห่างไกลจากการพัฒนาจะอยู่ห่างไกลจากผู้คนไม่ถึงกับว่าขับข้างนะอย่างในกรุงเทพแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบจากความเป็นอยู่ และ ว, วิถีชีวิตของผู้คนมีใช่น้อยนลอสองซึ่งทารก็จะเห็นนะว่าป่าที่เคยเขียวครึ้นเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ก็กลายเป็นป่าซึ่งเต็มไปด้วยหญ้าและถ้าเรามาในช่วงหน้าแล้งก็จะเหลืองมันไม่ใช่เขียว อย่างที่เราเห็นหรือจะได้เห็นแม่น้ำหรือลำห้วยสายใหญ่ที่เคยลึกนะมันก็กลายเป็นลำทางสายตื้นนะแคบสิ่งสาราสัตว์ที่เคยมีมากมายมีช้างมีเสือมีหมีแม้แต่จระเข้ ตอนนี้ก็กลายเป็นอดีตไปแล้วผู้คนที่เคยขึ้นมาสอยหาอนาคตเบนหลังเขาเตอนนี้จำนวนไม่น้อยก็เริ่ม อ, อพะยพแยกย้ายน่าจะเป็นการชั่วคราวเป็นบางฤดูกาลก็เพื่อไปหาอนาคตที่อื่นอันนี้เพราะว่า ธรรมชาติเสื่อมโทรมลงไปอย่างมากทภาพยากรนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะนิ่งดูดายในการเดินธรรมยานานี้ก็ในด้านนี้ก็มาปลุกใจเราให้ตื่นให้ตอนหนักถึงภัยที่กำลังเกิดขึ้นกับธรรมชาติเพราะเวลาเราอยู่ในเมืองนะเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะว่าธรรมชาติเสื่อมโทรมอย่างไรบ้า ง, งทั้งที่ ชีวิตของเราแต่ละวันก็ได้รับผลกระทบนะจากปัญหาเหล่านี้เช่นมลภาวะทั้งในานา้ำในอากาศสารพิษที่มันอยู่ในอาหารของเรารวมทั้งความผันผวนแปรปรวนของกรดูกกาและดีนฟ้าอากาศกรุงเทพนี่แม้ขณะนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะ เอาแน่านอนไม่ได้แนละ้วแล้วก็วันดีคืนดีก็ร้อนจัดนะแต่ว่าเราจะไม่ค่อยัะหนักเท่าไหร่นะเพราะว่าชีวิตของเรามันมีเทคโนโลยีคอยอำนวยความสวยให้กับเราอากาศ ร, ร้อนยังไงอยู่ในห้องแอร์ก็ไม่ได้รู้สึกทุกร้อนไปด้วย เราชีวิตที่เร่งรีบก็ทำให้เราไม่ได้ตระหนักว่าภัยกำลังเกิดกับธรรมชาติแงลรอมอย่างไรแต่พอเราออกมานะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติท่ามกลางภูเขาแล้วก็ที่ที่เคยเป็นป่าไม้เนี่ย เ, ยเราก็จะเห็นได้ชัดขึ้นในด้านนี้ก็เป็นการปลุกสำนึกของเราให้ตื่นตัว ในเรื่องของการความจำเป็นในเรื่องการพิทักษารักษาสิ่งแวดลอ้อมอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการมาเชิญชวนผู้คนสองข้างทางให้เขาตื่นตัวที่จริงเขาก็เห็นปัญหาอยู่แล้วแต่เ็าจะคิดว่าปัญหานี้มันเป็นควรัิดชอบของคนอื่นที่ต้องมาแก้ไขเช่น อ, อ, อบต ร, รัฐบาลหรือว่าทางจังหวัดแต่ที่จริงแล้วนี่มันเป็นสิ่งที่ทุกคน สามารถจะช่วยได้แล้วควรจะทำด้วยไม่ต้องรอให้ใครมายื่นมือเข้ามาช่วยต่างคนต่างมาทำคนละไม้คนละมืออันนี้แหละนะคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลวงพ่อท่านนึกถึงธรรมญาตราแล้วก็อยากจะให้มีขึ้นนะตั้งแต่ปีสี่สามแล้วก็ทำมาโดยตลอด แม้ว่าผลที่เกิดขึ้นนะในเรื่องการฟื้นฟูธรรมชาติจะไม่ได้เห็นผลทันควันหรือว่าเป็นรูปธรรมชัดเจนแต่มัน ก, กมน็มันก็ช่วยยับยั้งนะไม่ให้เหลวร้ายไปกว่า น, นี้ได้ไม่น้อยอีกส่วนหนึ่งนะก็เป็นการเดินเพื่อธรรมะ เ, เพื่อธรรมะในใจเรา เราจะได้เรียนรู้นะธรรมะเนี่ยจากประสบการณ์จริงและขณะเดียวกันก็อาศัยธรรมะเนี่ยนะเข้ามาเพื่อช่วยให้การเดินของเราเป็นไปอย่างราบรื่นธรรมะกับธรรมชาตินี่มันแยกจากกันไม่ออกนะถ้าคนทิ้งธรรมหรือคลาดเคลื่อนจากธรรมเมื่อไหร่นะธรรมชาติก็วิบัติเมื่อ น, นั้น จะาหาว่าคนมีธรรมะธรรมชาติก็จะาผาสุกเกิดาวามสมบูรณ์ขึ้นมาการทํมาเนี่มันเกื้อกูลธรรมชาติมากและขณะเดียวกันธรรมชาติก็เกื้อกูลให้ธรรมะเจริญงอกงามอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมพระเจ้านะจึง แนะนำภาษาวกให้เข้าหาธรรมชาติจาริกในป่านอนใต้ต้นไม้บำเพ็ญเพียรในป่าลึกนะก็เพื่อได้น้อมนำธรรมะให้เกิดขึ้นกับใจของตนแลนนี่เคิดอกว่าทำไมจึงมีวัดป่า เ, เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ธรรมะกับธรรมชาติเกือ้อกูลนมากเราก็คงจะได้เรียนรู้นะในเรื่องนี้นะว่าธรรมะกับธรรมชาตินี่มันสัมพันธ์กันอย่างนั่นแฟนเพียงใดนอกจากเดินเพื่อธรรมะธรรมชาติแล้วเนี่ยนะการเดินธรรมญถาตรา ย, ยังหมายถึงการเดินด้วยธรรมะด้วยเราจะเดินอย่างมีสติสำรวมกายวาจา เราจะเดินด้วยความสงบในระหว่างที่เราเดินนะเราจะไม่พูดไม่คุยกันแม้จะเดินเป็นร้อยนะก็เหมือนกับว่าเดินคนเดียวเราจะเดินด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือเดินจะมีสติเราจะมีสมาธิอยู่กับการเดินแม้จุดหมายปลายทางมันจะไกลแค่ไหนใจเราก็จะอยู่กับปัจจุบัน แล้วเราจะเดินด้วยใจที่มีเมตตาใจที่ไม่เพียงแต่มีเมตตาปรารถนาดีกับธรรมชาติที่แวดร้อมทุกอย่างก้าวที่เดินเท่านั้นนะแต่ว่าก็ยังปรารถนาดีกับผู้คนในชุมชนสองข้างทาง การที่ได้มารับรู้ความทุกข์ความยากความระบากของเขานะแต่พนะเดียการก็ได้เห็นถึงน้ำใจไมตรนะีมันก็จะช่วยปลูกเมตตาในใจเราให้มีมากขึ้นบางครั้งชีวิตที่อยู่ในเมืองก็ทำให้เหินห่างจากผู้คนแนละในชนบทในถิ่นห่างไกลจนกระทั่ง อาการความเหินห่างหมางเมินไปแต่ถ้าเราเดินนะด้วยใจสงบนะได้มาสัมผัสกับผู้คนเราก็จะเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจเห็น อ, อกเห็นใจและเกิดความเมตตาปรารถนาดีมากขึ้นยังค่เดินนะด้วยการเปิดใจนะรับรู้ทุกสุขของสรรพชีวิต แล้วเมตตากรุณาก็จะผลขึ้นมาในใจของเราไม่ใช่เมตตาแต่เฉพาะผู้คนสองข้างทางเท่านั้นนะแต่ว่าลถึงมากก ว, ว่าเมตตาปราถนาดีต่อเพื่อนที่ร่วมเดินด้วยให้หมองว่าเขาหรือเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ถ้ามองไม่เป็นนะจะกลายเป็นว่ามองแต่ละคนเป็นคู่แข่งนะเป็นคู่แข่งเวลาตักอาหารนะเราต้องตักให้ก่อนเขานะเราต้องตักให้มากกว่าเขาหรือว่าเห็นเขาเป็นคู่แข่งเวลาเข้าห้องน้ำํำนะเราต้องไป ถึงห้องน้ำก่อนใครหนระือว่าแย่งชิงที่ดีๆในการกางเต็นต์ก่อนคนอื่นถ้าเราวางใจแบบนี้เนี่ยนะก็เรียกว่าไม่ได้เดินด้วยธรรมะถึงแม้ตัวเนี่ยสวมเสื้อธรรมญาตราแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่มีธรรมะแล้วนั้นเตือนใจ แล้วก็ชักชวนตัวเรานะให้มีธรรมะมีความเมตตามีความกรุณาความปราถนาดีตลอดเวลาที่เราเดินร่วมกันมันถึงจะเป็นธรรมญาตาิตา เดินด้วยความเพียรพยายามไม่ท้อถอยมีวิริยะแล้วก็มีขันติอันนี้ก็เท่ากับเป็นการเดินบําเพ็ญบา ร, รมีด้วยเพราะว่าวิริยะกับขันติก็เป็นบา ร, รมีที่ทรงคุณค่ามากให้เรามาเดินเพื่อบําเพ็ญบา ร, รมี ไม่ใช่เฉพาะวิทยะหรือขันติเท่านั้นถ้าทำได้มากกว่านั้นก็ฐานบารมีศีลบารมีบ่มเพ็นปัญญาบารมีด้วยนีพยายามนะพยายามเดินด้วยทำแล้วอ น, นิสงส ของธรรมญาตราเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นกับเราเดินทธรรมญาตรานอกจากหมายถึงเดินเพื่อธรรมะและธรรมชาติเดินด้วยธรรมะแล้วเนี่ยยังหมายถึงการเดินในธรรมะด้วยเดินในธรรมะถึงว่าเดินในการเดินของเราเนี่ยถ้าเราเดินด้วยธรรมะเนี่ยเราจะอยู่ในอารักขาแห่งธรรมะธรรมะจะรักษาเรานถ้าเรารักษาธรรมถ้าเราเดินด้วยธรรมธรรมะจะรักษาเรา ธรรมะอย่างใดที่จะรักษาเราเกื้อกูลเรานั้นก็คือเมตตาธรรมนะเดินธรรมะตาเนี่ยปีละปีเล่าหลายคนก็จะซาบซึ้งประทับใจในความเมตตาของชาวบ้านซึ่งตอนหลังก็ขยายวงกว้างขึ้นนอกจากชาวบ้านตามสองข้างทา ง, ทางหมู่บ้านที่เราพักเพนหรือว่าพักแรม ซึ่งแม่จะยากจนนะแต่รวยทั้งใจตอนหลังเมตตาธรรมเนี่ยก็หลั่งไหลามาจากผู้คนที่อยู่ห่างไกลด้วยเขาได้ทราบว่ า, ามีเดินธรรมยาราเขาก็เอาอาหารมาให้บ้างเอาน้ำมาเลี้ยงดูเราบ้างบางทีก็เอายามาต่างคนต่างก็มีน้ำใจมาช่วยเหลือเรา บางทีก็มาเป็นหมอเป็นพยาบาลนะเนี่ยเราจะได้รับความเมตตาความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเนี่ยจากผู้คนมากมายอันนี้ก็คืออนิสง์แห่งธรรมนะถ้าเขาไม่มีเมตตานะไม่มีกรุณาธรรมนี่เราก็ลาบากนะเพราะว่าเดินธรรมยาระเนี่ยเราจะเรียกว่าเดินโดยที่ไม่ต้อง ไม่ได้ไปทำอาหารทําครัวด้วยตัวเองเดินธรรมยตาตานี้แม้ไม่มีเงินติดตัวมาเลยเนี่ยนะก็อยู่รอดได้แล้วก็อินมีพีมันด้วยนะเดินหรือว่าการท่องเที่ยวสมัยนี้เนี่ยถ้าไม่มีเงินมันก็ลําบากนะแต่ว่าสารธรรมยาตาแล้วเนี่ย เงินไม่มีความหมายเลยไม่มีเงินติดตัวก็เดินได้อย่างผาสุกเพราะอะไรเพราะความเอื้อเฟือ้อความเมตตากรุณาของผู้คนมากมายที่ศรัทธานะที่ประทับใจในพวกเราและที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะาเราเดินด้วยธรรมเพาเราเดินเดินไปเฮฮาไปนะเดินไปก็วิ่งไล่เตะกันไปนะ ก็ยากนะที่มันจะปลุกเมตตาธรรมของผู้คนให้เกิดขึ้นจนกระทั่งนะนำอะไรต่ออะไรมาให้กับเราเขารู้สึกว่ามานำมาหาแม่เราี้เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะไม่ได้ทำบุญกับพระนะทา น, นั้นแต่ว่าทำบุญกับพวกเราหมายความว่ามาทำด้วยความศร <c oughs> ัทธาเพราะเห็นเรา เสสระอุทิตตัวธรรมะอีกอย่างหนึ่งที่จะอรารักขาเรานะก็คือสติสมาธิและปัญญาเดินธรมิย า, านี่มันคือการเดินหน้าเข้าหาทุกข์นะเดินกลางแดดต้องเผชิญกับฝนหรือว่าลมหนาวบางทีไม่ได้เดินนะ แค่อยู่ให้เฉยนี่ก็ทุกข์แล้วนะเพราะความหนาวอย่างบางคนก็อาจจะนอนไม่ค่อยหลับเมื่อคืนหรือว่าถึงแม้จะหลับแต่พอตื่นขึ้นก็ตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากตื่นเพราะมันหนาวจะขึ้นมาที่นี่ได้นะก็ต้องใช้ความอดทนแต่ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงนะไอ้ความหนาวก็จะค่อยกลายเป็นความอุ่นแล้ว กลายเป็นความร้อนธรรมญาติตาเนี่ยนะมันก็มีสองอย่างนะกลางวันเดินร้อนนะกลางคืนนอนหนาวมีแค่นี้แหละกลางวันเดินร้อนกลางคืนนอนหนาวแต่ที่จริงมันไม่ใช่แค่ร้อนนะมันมีปวดมีเมื่อยด้วยนะแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยนะ มันจะเป็นมันเป็นมันจะกลายเป็นเพียงแค่ความทุกข์กายแต่ทำอะไรจิตใจไม่ได้กายทุกแต่ใจไม่ทุกเพราะอะไรเพราะมีธรรมะมีธรรมะเนะี่ยเป็นเครื่องรักษาใจธรรมะที่ว่านี่คือสตนะิคือปัญญาคือความรู้สึกตัว ธรรมยานตาเนี้เราก็มีคํามขัญนี้ตั้งแต่มาปีแรกๆเลยนะว่ากายร้อนใจไม่ร้อนหรือว่าร้อนแต่กายใจสงบเย็นเหนื่อยแต่กายนะใจเบิกบานมันทําได้ยังไงเนี่ยหลายคนนึกแต่เพียงว่าโอ้มันต้องฝึกขันตินะความอดทนนะเดินธรรมยานตายโดยให้ตลอดรอดฝั่งนี้ต้องมีความอดทนอดทนต่อความยากลําบากอดทนต่อความร้อนความหนาว แต่อดทนเนี่ยน ะ, ะไปทำให้สำเร็จแต่ใจยังทุกข์นะเพราะมันเหมือนกับว่าเป็นการกับฟันแต่เราสามารถจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้นะแม้ากายเนี่ยจะทุกข์ก็ตามเนี่ยเพราะมีธรรมะคือสติมีปัญญามีสมาธิความรู้สึกตัวทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นกาแพงนะที่จะกั้นไม่ให้ความทุกข์กายเนี่ย เข้ามาย่ำยีบีธาจิตใจได้า ก, กายร้อนนะแต่ว่าใจเป็นปกติทําได้ยังไงนะเราก็จะได้เรียนรู้เนะี่ยจากการเดินธรรมตราและนีิเผปว่าทําไมเราต้องเดินในเดินด้วยธรรมถ้าเราเดินด้วยธรรมโดย่างมีสติให้ธรรมะเนะี่ยที่เราน้อมนำมาทุกขณะที่ก้าวเดินนี่แหละนะจะช่วยรักษาใจ ถ้ามีสติู่การเดินใจไม่ไปไปพวงถึงเป้าหมายจุดหมายปลายทางเนี่ยมันก็ช่วยลดความทุกข์ในใจไปได้ไม่น้อยทีเดียวนะเพราะหลายคนเนี่ยเดินเดินด้วยใจที่กังวลใจที่บนตีโพยตีพาว่าทำไมไม่ถึงสักทีเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึง น, นี้เรียกว่าเดินอย่างไม่มีสติเล ใจไม่อยู่กับปัจจุบันใจมันไปโน่นแะล้จุดหมายไปทางข้างหน้าไปอยู่กับอนาคตแนละ้วหรือไม่พอเวลาเจออากาศร้อนจริงจริมันก็แดดก็ไม่ร้อนมากแนละ้วใจใจก็บนวอยวายแล้วถ้ามันมันร้อนอย่างนี้หรือบางทีก็วิตกนะกลัวว่ า, วาน่าจะมีสิวมีฝ้านะอ้ยิ่งคิดแบบนี้ยิ่งยิ่งมีฝ้ามีสิวเลยนะเพราะมันเครียด กายเครียดแต่ใจไม่เครียดเนี่ยนะไอ้ฝ้าสิวมันก็น้อยลงนะแต่พอกังวลว่ามันจะมีหรือเปล่านะฝ้าเนี่ยนะหอแดกร้อนๆเนี่ยมาเลยนะเสิม่มก็มายังไม่ต้องพูดถึงความทุกข์ใจเวยแต่ถ้าเราใจเป็นปกตินะรู้ทันใจที่ประเพื่อมรู้จันทรทายที่วิตกใจที่วิตกกังวลไอ้การรู้ใจนะที่เป็นลบนี่แหละนะ จะช่วยทําให้ใจเรากลับมาเป็นปกติได้กายร้อนแต่ใจเป็นปกติอันนี้ก็พูดไว้เป็นเป็นแนวนะแต่ว่าเรายังไม่เห็นหรอกเรายังไม่รู้ยังไม่เห็นว่ามันจะทําได้ยังไงนะจนกว่าเราจะได้ทดลองเดินและที่และความยากลาบากนี่แหละนะมันจะมันจะสอนเรามันจะบังคับเราให้เราเนหันเข้าหา หรือว่าไขวคว้าเอาธรรมะเนี่ยมาช่วยรักษาใจพอถึงเวลาที่เดินกลางแดดเนี่ยมันไม่มีที่พึ่งอื่นแล้วนะนอกจากร่มเงาของต้นไม้แล้วก็ร่มเงาแห่งธรรมเดินกลางแดดจะรู้เลยนะเราจะรักร่มเงาของต้นไม้มากมีเจอร่มเงาเมื่อไหร่เจอเงาไม้โอาจะมีความสุขมากแต่บางแต่มันก็เป็นช่วงขณะเท่านั้นนะ เพราะว่าตลอดเส้นทางเนี่ยร่มเงาของต้นไม้นี่มีน้อยเพราะว่าตัดต้นไม้กันไปเยอะแนละ้วแต่สิ่งที่จะช่วยเราได้คือร่มเงาแห่งธรรมไม่ใช่ธรรมของใครนะธรรมมากของเราก็คือสติให้เมตตาธรรมของชาวบ้านนี่ก็อันนึงแล้วนี่ช่วยทําให้ใจเราเย็นใจเราใจเรามีความสุขนะหรือว่าช่วยทําให้ท้องเราเนี่ยอิ่มด้วยอาหารแต่ว่านั่น ก็จะได้รับเมตตาธรรมของชาวบ้านนี่ก็ก็าจะเมื่อผ่านชุมชนเขาเอาน้ำมาให้เขาอาหารมาให้แต่ช่วงที่เราไม่ได้ผ่านชุมชนเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีไม่มีร่มเงาของต้นไม้นนร่มเงาแห่งธรรมเนี่ยคือที่พึ่งเดียวของเราหากจะเดินได้อย่างปกติสุขนะถ้าเดินไปบ่นไปเดินไปบนไปนี่ขาดทุนนะ ก็ดีเือนกันได้ความอดทนนะได้วิริยะบําเพ็ญบารมีวิริยะบารมีแต่ว่าจะดีกว่านั้นถ้าว่าเราเดินไปด้วยใจที่เป็นปกตินะเพราะอยู่ในอราคาแห่งสติในราคาแห่งปัญญานี่แหละคือความหมายของธรรมญาตานะเดินเพื่อธรรมและธรรมชาติเดินด้วยธรรมและเดินในธรรมหรือในอราคาแห่งธรรม อันนี้การเดินนะปีนี้เนี่ยนะแต่และปีนี้เราก็จะมีเราก็จะมีเรียกว่าธีมนะแตกต่างกันปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีธีมว่าพลิกชื้นพลิกฟื้นถ่ายให้ชุ่มเย็นนะปีนี้ธีมหรือว่าคำขวัญคือตามรอยน้าําตามรอยธรรมมันก็สะท้อนถึงหัวใจธรรมญาตา ที่มีอยู่สองมิตกิก็คือธรรมะและธรรมชาตินะตามรอยน้าเพื่อที่เราจะได้เข้าใจเห็นสภาพความเป็นจริงของธรรมชาติบนหลังเขาน้ำในที่นี้คือลำปทาวนะซึ่งเป็นตัวแทนธรรมชาติป่าเขาผืนดินลําห้วยแล้วก็สิ่งสารราศนะเราตามรอยน้าเพื่อที่เราจะได้ค้นพบความจริง ของธรรมชาติและเกิดความตระหนักตื่นตัวนะเพื่อที่จะช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติดีขึ้นตามรอยธรรมเนี่ยก็คือการทะ่การเดินตามธรรมนะให้ธรรมะนี่ให้เดินบนเส้นทางธรรมและถ้าเราเดินบนเส้นทางนี้เราก็จะก็จะเห็นนะธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้น ตามรอยทมตามรอยนะจากทมน้อยไปสู่ทาใหญ่จากทมที่เป็นพื้นเพื้นไปสู่ทมที่ลุ่มลึกมากขึ้นถ้าเราเดินอย่างมีสตินะเดินในเดินด้วยธรรมเนี่ยนะก็คือการเดินตามธรรมและธรรมเนี่ยจะนำพาเราจะนำพาเราไปพบนะกับสิ่งที่ลึกซึ้ง สิ่งที่ลุ่มลึกมากขึ้นซึ่งรวมถึงความสุขที่มีอยู่ในจิตใจเราด้วยเดินตามธรรมให้ธรรมนำเราไปแล้วเราจะพบกับของดีที่มีอยู่แล้วในตัวเรารวมทั้งได้พบกับสัจธรรมที่มันอยู่รอบตัวเราด้วยนี่คือความหมายเดินตามตามรอยน้ำตามรอยธรรม เดินย้ายได้เห็นแต่น้ําไม่เพียงแต่รู้จักธรรมชาติดีขึ้นนะแต่ว่าควายได้เรารู้จักเข้าใจเข้าถึงธรรมะทั้งที่มีในใจเราเราก็ที่มีอยู่รอบตัวเราด้วยงั้นถ้าเราเดินตามธรรมนี่ให้มั่นใจได้เลยนะว่าเราจะพบกับความสุขที่ลุ่มลึกแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางแดดหรือว่าต้องเจอความหนาวก็ตาม รวมทั้งต้องเจอความเจ็บความปวดความเมื่อยนะซึ่งจะเป็นเพื่อนนะตลอดสองตลอดธรรมยาราเนี้ยนี้ไม่พ้นเลยนะร้อนหนาวปวดเมื่อยนะเหนื่อยแต่ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องห่วงถ้าเราเดินด้วยธรรมเนี่ยนะเดินตามธรรมไปทรมันะามาจะพาเรานะให้ได้เข้าถึงความสงบเย็นในจิตใจได้ ตามรอยน้าตามรอยธรรมก็เป็นคำขวัญที่เราได้ริเริ่มมาตั้งแต่เดือนสิงหากันยานะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญนะเดือนตุลานะในหลวงนะในรัชกาลที่เกนะ้าสุเดสวัลคดนะก็เป็นโอกาสดีนะที่เราจะมาระ ล, ลึกถึงอีกอย่างที่ควรเป็นปณิธานหรือหน้าที่ของเรา ก็คือการตามรอยพ่อด้วยเสื้อนี่เราสกรีนไม่ทันนะเราเปลี่ยนไม่ทันเพราะเราสกรีนตั้งแต่เดือนตุลากรก่อนสิบสามตุลาแล้วไว้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยนะธรรมยาถาปีนี้เนี่ยนอกจากเดินตามรอยน้าตามรอยธรรมแล้วก็ให้เราถือว่าเราเดินตามรอยพ่อด้วย ในหลวงนะของเราก็สวัยดีท่านยังมีพระนามใไม่นะก็ออกไปเยี่ยมะสมนิกรลในชนบทนะไม่ได้นั่งเครื่องบินไม่ได้นั่งหอนะแต่บางทีก็เดินเดนินขึ้นเขาขึ้นเขาลงห้วยไปเยี่ยมชาวเขาเดินกันข้ามเขาเป็นลูกๆเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะเพื่อไปช่วยเหลือชาวบ้าน ทำให้เกิดโครงการต่างๆมากมายหลายคนก็บอกว่าอยากจะตามรอยพ่ออยากจะสนองปณิธานสืบสารปณิธานของท่านก็ไม่ต้องรอวันหน้านะเอาวันนี้เลยเดินธรรมยถตรานให้เือเป็นการเดินตามรอยพ่อ เพราะถาเราเดินตามรอยที่จริงถ้าเราเดินตามรอยน้ําตามรอยธรรมในความหมายที่พูดนะันเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็เป็นการเดินตามรอยพ่อไปโดยปริยายแต่บางคนอาจจะยังไม่พอจว่าตามรอยน้ําตามรอยธรรมเป็นยังไงก็ถือว่าเดินตามรอยพ่อไปก่อนพระองค์เนี่ยก็เคยเดินนะข้ามเดินข้ามเขาลงห้วยนะ เดินตามเส้นทางที่วิบากยิ่งกว่านี้หลายเท่านะเวลาเราเหนื่อยนะก็ลองนึกถึงพระองค์ดูว่าเออพระองค์เนี่ยทั้งที่มีอายุมากกว่าเรานะหลายคนเป็นวัยรุ่นนะก็ลองวังชานเนี่ยมีมากกว่าพระองค์อีกแล้วนะก็ลองให้เอาท่านเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นกำลังใจนะที่จะผลักดันให้เราเนี่ยเดินไปเรื่อย คือว่าเป็นการเดินตามรอยพระองค์ไปก็ช่วยทำให้การเดินธรรมะตามมันมีความหมายมากขึ้นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราควรจะทำขเข้าใจนะแล้วก็ให้น้อมใจเข้าไปสู่จุดเดียวกันถ้าเราทุกคนเนี่ยนะตระหนักว่าเราเดินเพื่อธรรมะและธรรมชาติเราไม่ได้มาเดินเที่ยว เราไม่ได้มาเดินเอาคะแนนเราไม่ได้มาเดินหาประสบการณ์แปลกแปลกใหม่ๆอันนั้นจะมีก็ได้แต่เป็นผลพลอยได้แต่เราเดินเพื่อธรรมะและธรรมชาติด้วยแล้วก็เดินด้วยธรรมและมั่นใจว่าดย น, นี้แหละนะจะทาให้เราอยู่ในอรคายธรรมเนี่ยก็ยทำให้ธรรมยาตงาเราในกายเป็นธรรมนาวาที่ทุกคนเนี่ยเหมือนกับอยู่ในเรือลาเดียวกันแล้วก็ ุ่งหน้าไปด้วยกันนะระยะทาง2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0นะซึ่งอาจจะเป็นจำนวนมากมายนะในความสุขของหลายคนหลายคนคงไม่เคยเดินนะระยะทาง 7-8 กิโลอย่างที่เราจะเดินในเช้านี้นะไม่ต้องพูดถึงร้อยกิโลแต่ก็ขอยมั่นใจว่าถ้าเรามี ความเข้าใจมีจุดร่วมเดียวกันในการเดินสองแสนสามแสนเก้าก็จะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเดินเป็นล้านเก้าก็ยังเดินได้ขอให้เก้าแรกของเราเป็นเก้าแรกนะที่เดินด้วยความมั่นใจด้วยความเข้าใจนะในจุดมุบางธรรมยาตราเช้าวนี้ก็ อข อ, อชี้แจงเท่านี้ก่อนนะกราพพร้อมกัน